يقتر بالناس حسابهم، وهم في غفلة م ع ر ض و ن ما يأتيهم من ذكر من ربهم حتى ما يأتيهم من ذكر من ربهم وحدة إلا استمعوه وهم يرعبون من ربهم وحدة إلا استمعوه وهم يرعبون. และที่ตั้งหุล الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم ف َ ت َ أ ت ُ ن َ ا ل س ِ ح ْ ر وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي ا ل س َّ م َ ا ِ وَالْأَرْضِ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي ا ل س َّ م َ ا و ا ِ وَالْأَرْضِ وهو السميع العليم. بل قالوا أقراط أحلام. أحلام. بل افتراه وبله وشاعر. فاللَّتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوْلُونَ. ั سمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. دِنَّا ل ْ ح <AD> َ م ْ د َ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ْ شُرُورِ أَنفُسِنَا ْ وَمِن ْ س َ ي َِّ ا ت ِ عَمَالِنَا. مَن ْ ي َ ه ْ د ِ ه ِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن ْ يُضْلِلَ فَلَا هَادِيَ لَهُ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 ب سم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله رب و بالإسلام دينا وبمحمد الرسولا ل ل ه م إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعداب في القبر السلام عليكم ورحمة الله و ب ر คืนนองที well e ่ร่วมนมการเวลาฟ a r หรือเวลา subuh ที่รักทั้งหลายครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ให้กล่าวว่าอย่างนี้อัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ชครูลลอฮ์ ขอบคุณอัลลอฮ์บรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ว่าอัลฮัมดุลิลละคำครั้งเดียวนะ่ะคําเดียวนะ่ะใช้ได้แล้วนะอัลฮัมดุลิลละบรรดาการสรรเสริญทั้งหลายเป็นของอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอห์นะที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปเมื่อคืนนี้เราก็ให้เราตื่นขึ้นมาด้วยที่จะต้องกล่าวกันทุกคนก็คืออัลฮัมดุลิลละฮิลละดี อาห์ยานาบาดามาอามาตานาวะอิไลฮินุชูรนะครับแล้วก็ดูอาเข้าห้องน้ำก่อนต้องกล่าวเข้าห้องน้ำโดยเท้าซ้ายระวังนะขอแก่ๆ แ, แล้วมันลืมถ้าเราไม่ฝึกไวตั้งแต่ตอนหนุ่มๆสาวๆนี่แหละก็หลายคนมาแล้วเนี่ยล้มในห้องน้ำ ลมในห้องน้ำเนี่ยมีกับตายกับตายนะครับบางคนล้มแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ำด้วยก็มีถามว่าตายในห้องน้ำกับตายข้างนอกไหนจะดีกว่ากันต้องตายในสนามรบนั่นถึงจะถึงจะดีที่สุดด้านมาตายในห้องน้ำแสดงว่าเราไม่ได้นึกถึงคำสอนที่ท่านนับดุสอนไ้เลยระวังนะพี่น้องอย่าให้ล้นลื่นในห้องน้ำนะครับอา่านดุอาด้วยนะ ออกออกด้วยเท้าขวาแล้วอ่านดูอางกฟรอ น, นะะักขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และตาล่าที่เราทบทวนอุปรานเนี่ยนะทำกัมานี่ยี่สิบปีแล้วเพิงได้ยี่สิบสุรคนที่นั่งฟังกูงอ่านนะ่ะตายไปเยอะแล้ว <laughs> วันนี้ขอบคุณอัลลอเรามาถึงสุราอัลอัมดียะ อัมบียะเนี่ยเป็นสุรทียี่สิบเอนะแปลว่าไดอัมบียะอัมบียะเป็นพหูพจน์ของคำว่านาบีอุนนบียานิอัมบียะแปลว่าบรรดา น, นาบีหรือว่านาบีหลายคนนะครับอัมบียะเนี่ยนบีที่อยู่ในกุรานในสุรอนี้เนี่ยนะ นั่งนับอยู่ในมีประมุษต์สิบสี่คนเดียกันที่อัลลอฮ์เอ่ยชื่อนะกะบีกุรอานในซุลรอ้นี้นะซุลรออัลอัมบียะเนี่ยสิบสี่คนเอาก็เล่าให้ฟังเลยมีใครบ้างหนึ่งนบีมูซาอะลัยฮิสสลามสองนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามสามนบีลุตอะลัยฮิสสลามสี่นบีอิสฮากอะลัยฮิสสลาม ้านบียา ع บอะลัยฮิสสลามหนบินูฮอะลัยฮิสสลามเจดนบิสุลมานอะลัยฮิสสลามแนบิดาวดอะลัยฮิสสลามเนบิอายูบอะลัยฮิสสลามบนบิอิสมาอินอะลัยฮิสสลามสิบอนบิอิดริสอะลัยฮิสสลามุลกิฟลีอะลัยฮิสสลามบสนาบซกรยา นะครับสิบสามสักดียาสิบสิบสี่นบีย حي ยาอัลัยฮิมุสลามนะครับอย่างน้อยมีอยู่สิบสี่ท่านด้วยกันที่อัลลอฮ์เออยเออยเออยเออยชื่อนบีอยู่ในสุรนี้นะครับลองนั่งนับดูอาจจะน้อยหรืออาจจะเกินคงจะไม่น้อยอาจจะเกินกว่านี้ถ้าจะอ่านไปเรื่อยๆจะพบนะครับขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์เตือนนะครับให้เราอ่านควรอ่านแล้วนึกถึงบรรดา น, นาบีเหล่านี้ บุคคลที่มีชื่อกล่าวไว้เมื่อกี้สิบสี่คนเป็นคนดีหมดเลยเป็นคนที่ถูกอัลลอฮ์ทดสอบหนักๆทดสอบหนักๆแล้วก็สอบผ่านกันหมดแล้วอัลลอฮ์ก็ให้อยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ทั้งหมดแล้วเราก็เหมือนกันพยายามเอาอัลารของบรรดาห น, นาบีทั้งหมดเนี่ยนะนะครับที่อยู่นี่นะครับเอานี้เอาอัลารของบรรด า, นนาหนบีมาไว้ในตัวเราบ้าง มาเก็บไว้ในหัวใจเราบ้างเอาเช่นคนที่เจ้าชู้เนี่ยต้องนึกถึงน บ, บีอะไรนบียูซุฟอะเลฮิสลามคนที่รูปหน้าหล่อหลอเนี่ยต้องนึกถึงน บ, บียูซุฟเยอะๆต้องอ่านดวงอาเยอะๆอลัลลอฮ์แล้วคนที่ถูกอลัลลอฮ์โทษรับหนักๆเนี่ยคงไม่มีใครเท่ากับนบีอายุที่ป่วย อ, อ, อัลลอฮ์ุอะคบัดป่วยต้องเจดปีแปดปี อัลลอฮ์จทัจงลูกเมียมอยากจะเข้าใกลอ้อะและ ô, ้วอัลลอฮ์ก็หายหายแล้วก็นบีอีกคนหนึ่งที่ตกไปอยู่ในท้องทะเลแล้วอยู่ในท้องปลาอีกนะ่ะอัลลอฮ์อักบัรสุดๆแล้วแต่เขาไม่ลืมอัลลอฮ์อยู่ในท้องปลาอ่านดูอาว่าไงลออิเลฮอิเลอันตะสุบฮานะกออินนีกุนตูมีนัลลอฮีมีนข้างบนได้ยินหมดเลย อัลลอฮ์ได้ยินมาัยกาได้ยินของบนได้ยินเสียงของนบีอายุเปยางดีอัลลอฮ์ว่ามรัยกาถามอัลลอฮ์ว่าไม่ช่วยเดี๋ยวเรช่วยช่วยเดี๋ยวเดียวเด๋ย ว, ช, วยช่วยช่วยอยู่แล้วเห็นไหมเห็นยังครับที่เราพูดอยู่ตรงนี้ข้างบนได้ยินหมดนะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นั่งหลับก็นั่งตื่นว่แต่อยู่ข้างบนได้ยินหมดเห็นหมดอ๋อนี่ยคนั่งฟังกุรานกันในมัสยิดอัลลอฮ์ดูคนนั่งกัน อย่างอัลลอฮ์ตั้งอกตั้งใจข้างบนได้ยินหมดเลยเราเห็นแล้วก็รู้ทั้งหมดอิริยาบทของเราที่เคลื่อนอยู่บนตรงนี้ข้างบนรู้หมดเลยเอามาดูอายะแรกนะครับบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะีมแปลว่าด้วยพระนามของอัลลอฮ์ขอเริ่มนะเริ่มเริ่มสอนเริ่มการทำงานของเราแต่ละครั้งเนี่ย เราเริ่มด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมออัลลอฮ์มานเนี่ยเมตตานะครับกรุณาผู้ทรงบ่าวของอัลลอฮ์ทุกคนที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมุสลิมไม่มุสลิมจะเอาอัลลอฮ์ไม่เอาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทุกคนอัลลอฮ์เนี่ยเมตตานะครับแล้วก็อัลลอฮีมเนี่ยผู้ทรงนูน่นนะในวันอาคเราะ แต่ Allah ให้เฉพาะผู้ศรัทธาต่อ Allah เท่านั้นใครที่เม้าอิสลามหมดสิทธ์นะครับนี่ b i s m i ล l า h ิ r o h m a n i r o h i m เตือนตัวเราตลอดเวลานะครับอิควตรบาลินนัสฮิซับุมวะหุม ف ي غ ف ل มุ م าริด و ن อิควตรบาลิน นาสิ حساب ุหุมวะหุมฟีรฟลติมรินอัลลอฮอักบะตอิยห์นี่อัลลอฮเตือนไม่มีหนังสือเล่มไหนหรอกครับที่จะเตือนแต่กับอัลลอเนี่ยอัลลอฮใช้ภาษาดีมากเลยเป็นการเตือนนะไม่ใช่ดานะนั้นเราต้องนึกนึกคำเตือนอย่านึกคำด่า บางคนนะ่ะนึกคำด่าเป็นอาทิตย์เลยเยเอะเทอะเจอหน้ามึงแต่ของอัลลอไม่มีคำด่าไม่มีมีแต่คำเตือนอ้าเนี่ยอัลลอฮเตือนอิกตารอบาแปลว่าใกล้เข้ามาแล้วนะลินนัสสำหรับมนุษย์ทุกคนแต่ตรงนี้ต้องการจะเน้นนะคำว่าวลินนาสหมายถึงพี่น้องมุชริก พี่น้องที่มุชริกในนครมักกะถ้าจะอธิบายวันนี้ก็คือพี่น้องมุชริกที่ไม่เอาไม่เอาอัลลอฮ์องเดียวหรือพี่น้องกาเฟรพี่น้องมุนาฟิกยาฮูดีนอสรลนีที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เตือนนาอิกตารอบาลินนาสกลยเข้ามาแล้วนาสำหรับมนุษย์อะไรใกล้ครับไฮซาบุฮ เวลาแห่งการชำระความดีและความชั่วใกล้กัมาแล้วนะจะคิดบัญชีคุณนะอัลลอฮฺบอกว่ทุกคนนี่มีสมุดบัญชีหมดทุกคนมีสมุดบัญ ช, ชีอยู่ที่อัลลอทุกคนรู้ป่าเวลาเราทำความดีอะไรก็ตามเนี่ยอัลลอเก็บรีคอร์ดไว้สี่แหล่งด้วยกันรีคอร์ดไว้สี่แหล่งหนะ้าหนึ่งแผ่นดิน สองที่มือและที่เท้าอันที่สามอยู่ที่มาลาอิก้าอันที่สี่สมุดที่มาลาอิก้าบันทึกมีิวซีแลงฉะนั้นไอซีแองนี่ไม่ใช่บันทึกธรรมดานะวันหนึ่งอลัลลอฮฺจะสอบอืมความดีที่ทํากับความชั่วที่ทำํำถ้าทําความดีเยอะก็ให้รางวัลตอบแทนถ้าเทียม ค, ความชั่วเยอะๆอลัลลอฮฺก็จะลงโทษนี่เตือนนะ อิกตาราบาลินนาศีฮฐ์าบุมกลายข้มาแล้วนะสำหรับมนุษย์ทุกคนคือฮาบุหมเวลาแห่งการชำระความดีและความชัว่ววันนี้เราคิดบัญชีของเราเรื่องเดียวส่วนใหญ่เรื่องเงินในธนาคารใช่ไหมกี่สาบเท่าไรโอฝากไว้กี่ล้านอัลลออ์ักบัดดอกเบี้ยขึ้นเท่าไหร่อัลลอ์ เป็นหวบางดอกเบีย้ยกลัวมันจะหลุดเก็บเก็บเก็บไว้พอถึงหกเดือนก็คิดบัญชีทีหนึง่งทำเดลินาได้ดอกเบีย้ยมามาล้านหนึ่งวันนี้พี่น้องกินดอกเบีย้ยพาของคารามเข้าบ้านระวังลูกของท่านจะเสียตัวของท่านก็เสียภรรยาก็เสียคนใครอบครัวเสียหายหมดเลยเพราะเป็นเงินคารามฉะนั้นคิดบัญชีเราเนี่คิดบัญชีเรื่องเงินเรื่องเดียวแต่ว่าอัลลอฮฺต้องการจะบอกให้รู้ว่า อัลลอฮฺจะคิดบัญชีชำระบัญชีความดีความชั่วของท่านผิดน้องต้องนึกแล้วนะเวลาใกล้จะเนี่ยวันละขอดูอานนะแปลงฟันอาบน้นานมาศเสร็จแล้วจะปัดที่นอนยกมือขึ้นเป่าแล้วก็อ่านดูอานสามกุญชอ่านลูปไปทั้งตัวข้างหน้าข้างหลังแล้วก็นึกเออนามายครบป่าววันนี้เออแล้วก็นามานาวาฟินสิบสองเราก็อ่านทําหรือเปลา่าต้องนึก วันนี้ด่าใครหรือเปล่าแล้วเงินผาที่เข้าบ้านวันนี้เงินฮารอมหนึ่งฮาลาลต้องนึกนึกหมดเลยเลาท่านด่าใครหรือเปล่าวันนี้โอ้มีคนด่าฉันวันนี้ห้าคนมันต้องนึกอ่ะนึกให้หมดนึกนึกนึกนึกนึกแล้วก่อนจะนอนก็อัสตาวฟิรุลลอฮ์เราดีพวกนี้เราจะทําให้ดีกว่าวันนี้ต้องนึกครับเนี่ยเราล้อสั่งนะอิกตารอบอลินนะเซฮิซาบูฮุมใกล้เข้ามาแล้วนะ ทีนี้คนนี่นะถูกคิดบัญชีสองครั้งนะเวลาตายแล้วถนะูกคิดสองครั้งนะคิดบัญชีครั้งแรกเนี่ยตอนไหนรู้ไหมพอฝังเสร็จพอฝังเสร็จนี่นบีพูดเลยนะอิสตักฟิรูลิอาคีกลุ่มท่านทั้งหลายให้ไร น, นะให้ยืนขอดูอาขออภัยโทษต่ออัลลอ์ให้กับคนคนนี้ฟาอินนฮุลอาณยุสอลัล ขณะนี้มายดนี้กำลังถูกสอบกำลังถูกสอบว่าต้องคิดบัญชีถามว่าสอบเรื่องอะไรขณะที่นอนอยู่ในกูโบเนี่ยนะสอบเรื่องอักีดาเลยมาร บ, บูกะใครเป็นพระผู้อภิบาลของท่านมันอีมามูกะอิหมามที่นี่ไม่ใช่อิหมามน่ะมารียนรูตบถึงคูรานใครเป็นอิหมามของท่านที่นำท่านสู่อัลลอฮ์สู่รสูมีนะูราน มันนบีอยู่กับใครเป็นนบีของท่านสอบสามข้อแล้วก็จะสอบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเวลาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่ทุ่งมาชาิดสอบเรื่องนามาดอัลลอฮอักุบะจะเลือกว่าสอบสองครั้งนะถ้านามาดผ่านอย่างอื่นอัลลอฮฺไม่สอบถ้านามาดไม่ผ่านสอบทุกเรื่องเดีนี้สองสามสี่เรียบรอ้อย อยากให้สอผ่านไหมถ้าอยากให้สอบผ่านยังน้ำมาร์ยาขาดถ้าไม่ให้สอบผ่านไม่ต้องน้ำมาหรอกนะเดี๋ยวรู้เองอ๋อเสียใจเสียดายนะ่าดูเลยชีวิตตอนตายก็บ่นแล้วรู้บามายว ด, ดุลลาดีนกะาฟารูหลายคนนะครับบ่นว่าอล๋อถ้าฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดี ฉันได้มีศาสนาอิสลามก่อนตายก็จะดีฉันรู้จักอัลลอฮ์ฉันรู้จักรอซู น, นฉันรู้จักกุอานกาุอานก่อนตายก็จะดีมากๆเพราะถูกทรมานไหนกูบโบเพราะไม่มีศาสนานี่แหละนะครับอันนี้อัลลอฮ์เตือนอิรกรตาร์บาลินนาซีไฮาบูฮุมใกล้เมาแล้วนะก็หมายความว่ า, วาเวลาตายภาพเนี่ยบางคนเนี่ย อาจจะตายผู้นี้ก็ได้คิดนั่งอยู่ตรงเนี้บางคนอยู่สองวันบางคนอีสามวันบางคนปีหน้าอยู่สองปีอีสามปีฉะนั้นเวลาตายนั่นก็คือเวลาคิดบัญชีหรืออีกอย่างหนึ่งก็ฟื้นขึ้นมาจากหลุมฝังศพคิดบัญชีละเอียดเลยฉะนั้นระวังให้ดีนะเวลาใกล้คิดบัญชีใกล้จะมาถึงแล้วแล้อัลลอฮฺก็สอนต่อไปอีก ว่าหุมฟีม่ัฟลตินมุอริดูนว่าหุมแปลว่าขณะนี้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนขณะนี้ทำอะไรรู้ไหมฟี่ัฟลาินอยู่ในความเฉยเมย อ, อยู่ในความเฉยเมย อ, อัลลอฮฺอักบารเหมือนอัลลอรู้เลยนี่บางคนยังไม่ตื่นนมาซโบอเลยเนี่ยมีไหม น้อยรืยเยอะเยอะซูโบยังไม่ตื่นเลยบางคนยังเมาอยู่ยังมีใช่ไหมบางคนอยู่ในบาร์มีไหมบางคนอยู่ในคลับมีไหมอยู่ที่ทำซีนามีไหมกลังดื่มมีไหมมีหมดขณะนี้วะฮุมฟีกอลฟลตินขณะนี้พวกเขาเฉยเมยอัลลอฮฺอัลลอบัตถาว่าเฉยเมยย่เดี เรียกมัมมาทำานไม่ได้ยินหน้าตบมนุษย์ดื้อกันยังมันไสเลยแล้วอัลลอยฺจะไม่มันไสหรือมัมม้าเอาทรงคนมายุดอาจารย์อัลลอฮฺบบอัลลอนอนเฉยดูคิดดูสิสร้างมัสยิดเราให้อัลลอราคาก็หลายล้านรุ่นมากันสิบคนสูเราช่างตั้งสาสบล้านมากัน4สี่คนแล้วไปอยู่ที่ไหนหมดน่ะ พุ่มฟีร์ออพลาตินผู้เขาเฉยเมยต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เฉยเมยทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์สั่งให้ปฏิบัติเฉยเมยยังเดียวไม่พอนะมัวร์ดูนเป็นผู้หันห่างอัลลอฮฺอักบัรนี่3เรื่องนะอัลลอฮ์สอนนะ4เรื่องสิเอกเตอร์เบอร์ลินนะใกล้เข้ามาแล้วนะสำหรับมนุษย์ทุกคน เฮซาบุหุมอะไรนะการเวลาแห่งการชำระความดีความชั่วใกล้กันมาแล้วสองเรื่องแล้วข้อที่สมวะหุมฟีวัฟละพวกขณะ น, นี้พวกเขาอยู่ในความเฉยเมยกำลังหลับกำลังเพลินอยู่กับโลกดุนยาในตัฟซิดอิบนกซิอธิบายบอกว่าอะไรนะวะหุมฟีวอฟละตินพวกเขาอยู่ในความเฉยเมย อยู่ในความสุขอยู่ในความอริยอร่อยกับโลกดุนยาถามว่าโลกดุนยากับโลกอาคิเราออันไหนดีกว่ากันอาคีรอดีกว่าอัลลอฮ์ทุกวันศุกร์อิมามจะอ่านวันอาคีรอตุคอยรุลละกามินัลูละโลกใบสุดท้ายดีกว่าโลกใบนี้อ่านทุกวันศุกร์เตือนเป็นของขวัญฝากคนที่มาละหมาดวันศุกร์ แต่พวกเราให้ถูกใจตอนหลอกถูกใจตอนหลอกหลอกยังไงรู้ไหมให้อ่านกุรอ่านอย่างเดียวเองอย่ารู้ความหมายนะถ้ารู้ความหมายจะเป็นคนาใหม่ทันทีเลยนะอย่ารู้ต้องอยู่นี่อยู่อย่างงี้แหละฉะนั้นอัลลอฮฺเลยสั่งให้อ่านกุรอา่ออานก่อนอ่านกุรานให้อ่านอย่างงี้เอาสุบินละฮิมินัสชายุตนิรรจีแปลว่าอะไร ฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชายตอนเวลาอ่านฮะดีสต้องอ่านอุซบิลลาหมเวลาอ่านฮะดีสอุซบิลลาไม่ต้องอ่านนะเฉพาะคุร์อ่านอย่างเดียวเพราะชายตอนมันกลัวถ้าหากว่ามนุษย์นี่นะอ่านคุรอ่านแล้วมันเข้าใจกันหมดนี่พี่ไปหลอกใครวะไอ้นี่เก่งไอ้นี่เข้าใจคุรอ่านรู้หมดเลยที่นั่งอยู่เข้าใจคุรอ่านหมดเลยฉันหมดสิทธิหลอกคนฝังคณี หลอกได้คนฝังคานูนใช่ไหม ท, ที่ชาตตอนมันจะหลอกทุกคนฉะนั้นวีทีไม่ให้ชาตตอนหลอกเราก็คืออ่านกูร์านให้เข้าใจคูรา์านเอาช้ตตอนมันกันหลอกเองเอหลอกมันให้เป็นมุสลิมอย่างเดียวไม่พอเว้ยมันอ่านกูร์านกันอีกเอามันก็ยุต่ออีกอ่านกูร์านอยากแบบไม่เข้าใจโอ้ เราก็ขยิมโอ้อ่านคูรอ่านแบบคูร์สงหวังเลยตัวีวิตถูกต้องเป๊ะตัวฮาตัวอินแต่รู้ไหมไม่รู้นี่ไงพี่น้องชาวตอนมันดีใจแล้ววันนี้เรามารู้ความหมายชาวตอนก็ไม่สบายใจอีกแล้วฉะนั้นเองรู้ความหมายได้แต่อย่านำเอากุรอ่านไปปฏิบัติมันยุทุกเรื่องแหละฉะนั้นพี่น้องระวังนะอย่างพวกเราเนี่ยรู้ความหมายคุร์อ่านแล้วอะต้องนํามาไปปฏิบัตินาะ เอกตาโรบาลินาซฮิซาบูฮุมกลายเข้ามาแล้วนี่เตือนนะครับกลายเข้ามาแล้วนะสำหรับมนุษย์ทุกคนเฮิซาบูฮุมเวลาแห่งการชำระความดีความชั่วกลายเข้ามาแล้ววาหุมฟีออฟลาตินแต่ขณะนี้เวลานี้พวกเขาอยู่ในความเฉยเมยใช่หรือไม่ใช่ส่วนใหญ่เฉยเมยหมดเลยหันหลังให้อิสลามด้วยพี่น้อง แล้วก็มูอารีดูนเป็นผู้หันหา่างอัลลอฮ์พี่น้องให้ทราบนะคิดบัญชีของพวกเขาอยู่ข้างหน้าคนกาฟิรินไม่ได้เตรียมตัวนะคนมุชดิกินไม่ได้เตรียมตัวคนยาฮูดีไม่ได้เตรียมตัวคนนาซรอไม่ได้เตรียมตัวมีคนอยู่กลุ่มเดียวที่เตรียมตัวคือมุสลิมผู้อีมานต่ออัลลอ์เท่านั้นแหละที่เตรียมตัวที่จะพบกับความตาย เตรียมตัวที่จะจะถูกบังคิดบัญชีพร้อมที่จะตายพี่น้องมุสลิมส่วนใหญ่นะเดี๋ยวนี้รุ่ขึ้นนมาแต่ยุตกันหมดแล้วอัลฮัมดุลิลแล้วถามว่าพร้อมตายไหมพร้อมแต่หลายคนอย่าอาลัลลอฮ์อย่าเพิ่งให้ตายเลยเพิ่งกลับตัวมาว่านี่อย่ า, อ, าอัลลอฮ์รอรอไปอีกหน่อยอ้าวก็ขอไปถ้าอาลัลลอฮ์เมตาก็อัลลอฮ์ก็ให้อยู่นะครับถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตาก็อัลลอฮ์ก็ให้ตายก่อนก็ได้แต่อลัลลอฮ์เตือนอิกตารบาลินา กล้เข้ามาแล้วนะแต่ละคนแต่ละคนมีวันตายนะแล้วก็ฮิซาบุหุมไม่จะตายธรรมดาตายแล้วคิดบัญชีความดีความชั่วที่ทำเอาไว้ขณะนี้วะหุมฟีกอลฟละตินคนส่วนใหญ่นั่นอยู่ในความเฉยเมยแล้วก็มุอาริดูแล้วก็หันหลังให้อลลอฮุอะลอฮิเบียลาฮิมินองเอามาดูตักซิดคำว่ากอลฟละนะกอฟละเนี่ยผมอ่านภาษาอุลูนะ อัลลออัลลอฮ์มะท่านหนึ่งชื่อมุชิดทา น, นวีนี่เป็นคนอินเดียนะครับว่าอัลลอฮ์ฟะละมาซมูมุนการวางตัวเฉยๆไม่รับรู้อะไรเลยนะเป็นความเลวอัลลอฮ์พี่น้องเห็นอย่างครับเนี่ยอัลลอฮ์มะนะคนที่ไม่รับรู้อะไรเลยเรื่องของตัวเองก็ไม่รับรู้เรื่องบัญชีตัวเองก็ไม่รับรู้เรื่องนามาตัวเองก็ไม่รับรู้ รู้แต่เรื่องเงินอย่างเดียวเรื่องอื่นเรื่องอัมัติซอลและไม่รับรู้เลยเขาเรียกว่าคนนี้เป็นคนเลวในทัศนะของอัลอิสลามอ๋อพี่น้องผมอ่านกุ๊งอ่านพบอีกนะครับอุลมะอธิบายอย่างนี้คนที่ร่ฟละอ่าคนที่เฉยเมยไม่จะสนใจไม่รับรู้อะไรเลยนะในวันกิยามะเขาจะได้รับการลงโทษสามอย่างอ่านคำอธิบายนะ ลงโทษครั้งที่หนึ่งอะไรรู้ไหม One zir hum yau malhasro ida qudyal am รู้ว่าหุมฟรีกอลฟ์ลาตินว่าหุมลายุมีนูนคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์กับคนที่เป็นมุสลิมนี่แหละพี่น้องแต่ไม่จะใส่ใจอะไรเลยปล่อยชีวิตอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากอลฟลานะหรือคนกาเฟ่คนมุชริกที่กอลฟ์ลาปล่อยปะละเลยไม่สนใจปล่อยเนื้อปล่อยตัว นะครับห่วงแต่เรื่องเงินเงินเงินอย่างเดียวแต่เรื่องอาริเออรนี่นะวันนั้นเขาจะพบกับความย้ามัลฮัสรอกับความเสียใจพบกับความ ài, พอตายภาพเสียใจทันทีเลยอัลลอฮฺอักบบะเสียใจทั้งปีทั้งชาติเลยนั่งเศร้านะเพราะว่าใช้ชีวิตแบบกอลฟละข้อที่สองในะอัลกุรอานบอกว่า คนที่วรฟละปล่อยปะละเลยตัวเองไม่ใส่ใจเรื่องศาสนาเขาตาของเขาจะจ้องโพลงลืมอะไรนะก็เรียกว่าลืมตาค้างอย่างนี้เลยโอยปิดไม่ลงอะตกใจอัลลอฮ์นี่เพราะไม่มีอัลลอ์ไม่มีศาสนาไม่มีสุนานาระบีฉันเป็นอย่างนี้เลยเลยเนี่ยตาค้างเขาเรียกว่าไงนะ วะฮยาชาขีโซตุลอับซอ ต, ตาคลางตาจ้องโพล่อย่างนี้เลยในเรื่องที่สองเรื่องที่สามฟากาชาฟนาอังกาลตอากะฟาบาฟอรูกาลิยอมหฮาดีคนที่ไม่เอาศาสนาคนที่ปล่อยปะละเลยตัวเองอัลลอฮ์จะเลิกม่านออกสายตาของเขาจะเห็นโรกแบบคมกริบเลยโอ้โหอะไรหนึ่งเสียใจสองตาข้าง สมอัลลอฮฺจะ เ, เบิกม่านตาออกแล้วก็เห็นของที่อัลลอฮฺสัญญาเอาไว้จะจะรับการลงโทษยังไงเห็นชัดเลยนี่ผลจากการอะไรนะรัฟละผลจากการที่ปล่อยปากละเลยไม่สนใจไม่ใส่ใจทีนี้นักเรียนก็เหมาจากันเนี่ยถ้าไม่ใส่ใจอะไรในะีอ่อย่างมีคุณอ่านว่ากันอยู่นั่นแล้วก็นั่งหลับนี่ก็ไม่ใส่ใจทําไมพูดหลับๆตอนหลังนะมาสุโบเพราะนาบีสั่งว่า หลังนมาสุโบห้ามอะไรห้ามนอนพู้เธ่อนนอนกันเปล่าไม่ได้นอนนะอย่านอนนะห้ามนอนหลัง น, นมาสุโบถ้าจะนอนให้อะไรขึ้นก่อนนะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนอย่าว่าพระอาทิตย์นะให้ดวงอาทิตย์ขึ้นก่อนพวกเร า, มาไม่นจ้กราบดวงอาทิตย์ไปว่าพระอาทิตย์มุสลิมเรียกดวงอาทิตย์พอแล้วใช่ไหม ฉะนั้นอย่านอนคนที่นอนหลังนะมาซุบอคนนั้นไม่รับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ไม่รับบริสกีของอัลลอฮ์ที่ประทานนั้นนี่ก็เนี่ยมัตที่อัลลอฮ์ให้นอัลกุรอานี้ง น, นะใช่ไหมอา้าวตกลงว่านาบีสอนอย่างนี้อีกครับมันมาแต่ประกอบมัตียามาตูใครตายก่อนวันเกียรมะของคนคนนั้นเกิดขึ้นแกเขาทันที วันเกียร์มาณนะมีนะตอนไหนหรู้ไหมใครตายก่อนพบเกียรมา ก, ก่อนออาใครอยากตายบ้างยกมือขึ้นไม่มีใครอยากตายสักคนอยากจะอยู่จันั้นคนที่ตายเขาพบกับวันเทียมากของเขาเลยกลับเอาต่อมาทีนี้ <c oughs> เขาบอกมีให้มีโยอุลลามะนะอะฮัดุซอลีไฮนเขา อ, อธิบายคำว่ากอฟล่นี่นะเขาว่าอยาอัจบานมินันนาสัสแปลกมากมนุษย์บางคน ยาบกูนาอะไรมันมาตะยาซาดููตายเสียใจเมื่อร่างตายมานั่งร้องไห้เมื่อร่างตายเข้าใจนะเวลายาบกูนาอะไรมันมาตะกลบูหูแต่หัวใจตายเนี่ยไม่มีใครร้องไห้ใช่ไหมพอร่างเสียชีวิตพอบิญญาณออกจากร่างเนี่ยร้องไห้แต่หัวใจตายด้านไม่มีใคร ร้องไห้อัลลอฮฺสอนดีมากเลยอาพูดเป็นภาษาอรับนะอยา่ยาย่าอาจับานมินันนสัสมนุษย์บางคนนี่แปลกมากนะย่าบกู้นาลามันมาตาจัสรููร่างตายกระดูกกระเดี้ยวไม่ได้เพราะวิญญาณออกไปแล้วมาเสียใจกับบอดี้ที่มันตายอ่ะวลายาบกู้นาลามันมาตาโกลบูหูวะหะอชัดดุแต่วิญญาณเสียวิญญาณกับหัวใจตา ย, ตายด้านน่ะไม่มีใครร้องไห้อะ่ะ วัว่าอาชัดดูไอ้วิญญาณตายกับร่างตายอันไหนแรงกว่ากันวิญญาณตายอัลลอฮ์หัวใจตายด้านเนี่ยมันหนักกว่าร่างตาย Allah, อัลลอฮ์ว่าก็บทีนี้อุลามะแนะนำอีกนึกถึงอัลลอฮ์กับนึกถึงคนน่ะเป็นยังไงเขาบอกการนึกถึงอัลลอฮ์เนี่ยนะเป็นชิฟาอุล น, นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยนะเขาเรียกว่าใจไม่ไม่ด้าน คนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเป็นชีฟาเป็นเป็นยาแล้วคนที่นึกถึงคนเยอะๆเนี่ยมันเป็นโรคพี่น้องเข้าใจไหมล่ะนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆนะเป็นอะไรนะเป็นชีฟาอุ่นเป็นยานรักษาโรคไปในตัวเกศแล้วก็นึกถึงคนเยอะๆอย่างคนนี้ด่าเราก็นึกทุกวันน่ะนึก ว, น ว, นวันวันสิบเที่ยวาร้อยเที่ยนึกทําไม อุลมามะแนะนำาอกเวลานึกถึงคนให้ขอดวอาให้เขาอย่าอัลลอ์ให้ก็เปลี่ยนแปลงเธอเมื่อนึกถึงอัลลอ์ให้ขอจากอัลลอฮ์นึกถึงคนขอให้นึกถึง AH อัลลอฮ์ขอจากนะขอจากอัลลอฮ์เอามาให้กับคนที่เราเป็นห่วงเขาอย่างนี้นะครับดีมากนะพี่นอ้องนึกถึงอัลลอฮ์ทำยังไงให้อ่านกุรานให้กล่าวว่าอัสตักฟิรุลลอให้ขอดวอาเยอะ ให้อ่านสวดละอัลลอฮุมะละลาลมุฮัมมัดวะลาอลมุฮัมมัดนี่นึกถึงอัลลอ์ให้ลุกขึ้นนตาพัยุดทหถือศีอดนี่แหละเป็นการนึกถึงอัลลอ์แล้วก็เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดนะฮะเต่อมาอายาที่สองละฮยะตังกูลูบูฮุมวะอัสรุนนะจุอาอัลลัติหนาอลมู هل هذا ب ม مث ر مثلكم أفتات نصيحة وأنتم تبصرون لا هيَ تَنْقُلُ بُهُمْ لا هيَ ت َ ن ق ل ُ ب ة, ة, ه م รูมแปลว่าอะไรลาฮิยาแปลว่าใจไม่จดจ่อแปลว่าไม่จดจ่อใจลอยลาฮิยาแว่ใจได้นะ ลอยกุลูบุหุมแปลว่าหัวใจของพวกเขาลาฮิยะลอยลาฮิยะแปลว่าไม่จดจอ่อลาฮิยะตังกุลูบุหุมหัวใจจิตใจของพวกเขานั้นไม่จดจอ่อก็คุณอานว่านอยู่ข้างหน้านี้กุณอานว่านอยู่ข้างหน้าไหน โอ้อายะที่สองข้ามข้ามมายะติฮมิริคริมิรับบิฮิมอัพเดทอิลลัตมะอูฮ์วะฮุมยลอบุอัลลอฮ์นี่มาันยังหลงกันเลยดูคุอานอยู่ข้างหน้ายังอ่านข้ามเลนนะ มายที่หิมินซิครินมิรบบิมูฮัดสอิลลาสต์มางูวะฮุมย์เบุคนกาเฟคนมุชลิคนกาฟิรินนะครับมายที่หิมินซิครินไม่มีข้อ ตักเตือนวิครินแปลแปลวิครีนก่อนวิเกแปลว่าข้อตักเตือนนะครับมิดร็อบบี้หิมจากพระผู้อภิบาลของพวกเขามูฮัดสินแปลว่าใหมๆ่ๆของใหมๆ่ๆหมายถึงว่าข้อตักเตือนใหมๆ่ๆเนี่ยนะครับข้อตักเตือนใหมๆ่ๆจากพระผู้อภิบาลของเขามายะตีหิม ไม่ได้มายังพวกเขาเขาต้องการจะพูดว่ากุณอ่านเนี่ยนะนี่คนกาเฟตดูถูกกุณอานเขาไม่เชื่อกุณอ่านแล้วดูถูกนบีมุฮัมมัดไม่เชื่อนบีมุฮัมมัดก็พูดอย่างงี้ไม่มีข้อตักเตือนใหม่ๆอันใดจากพระผู้อาภิบาลของเขามายังพวกเขา เขาพูดอย่างนี้นะครับว่าคุรานเนี่ยกับมุฮัมมัดเนี่ยฉันไม่เอาหรอกถ้าจะเอาก็ต้องเอาประทานของใหม่ๆม า, มาหรือว่าให้คุรานลงมาลงมาลงมาความจริงอัลลอ์เนี่ยประทานอันคุรานลงมานะสมัยท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นะกี่ปี23ปีที่อัลลอ์ประทานอันคุรานลงมานะ แต่นี้คนที่ในยุคนั้นกันมีพวกกาฟิรีนมุชิลกินยาฮูดีนัสรลนีพวกนี้มันไม่เอาอัลกุรอานไม่เอาอะไรนะไม่เอานาบีมหฮัมมัดมันหันหลังให้กับนบีมุฮัมมัดหันหลังให้กับอัลกุรอานแล้วก็ไม่ได้เตรียมตัวที่จะพบกับวันอาคิร์รัสมันก็พูดว่างไงนะอัลลอ์นี่นะไม่ได้ทรงข้อตักเตือนใหม่ๆมาให้พวกเขา หมายความอย่างนี้อัลลอ์เนี่ยประทานอัลกรุรอานลงมาสม่ำเสมอแต่พวกเขาเป็นไงอิลลัสตะมาหูแต่พวกเขานั้นไม่ได้ฟังโอ้พวกเขานะฟังเหมือนกันแต่ฟังแบบใจลยอยอย่างเรานั่งจะหลับนี่แหละกุรอานก็รอานไบบนั้นไม่เคยสนใจเท่าไรใช่ไหมตอแล้วว่าอิสลามต้องการจะให้เรานี่อัลลอ์สอนให้เราได้นะ เวลามีอัลกุรอานลงมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยให้อ่านแบบตัดดับบุตรอ่านแบบไรนะชายสติปัญญาถึงมันจะมีอรรถรสถึงจะจะจะเข้าใจศาสนาอย่างอิหม่ามอันเบอร์เด็กีินอันดีมากเลยนะ Akbar. อัลลอฮฺวะบัลอฮฺอัอธิบายเลยมันยาวใช่ไหมคือถ้ารู้ความหมายของกุรอานสักอายาสองอายาเนี่ยใจมันจดจอ่อนะครับแล้วก็ตัดดับบุตรไปเรื่อยแต่คนมูนาฟิกคนกาฟิรีนี่ เวลาอัลลอฮฺประทานอัลกรุรอานลงมานะครับเรื่องใหม่ๆอะไรก็ตามพวกเขาแค่ฟังแล้วก็ผ่านแค่ฟังและผ่านแล้วเป็นไงกันบครับวะฮุมยาลาบูและพวกเขาก็ล้อเล่นล้อเลียนหัวเราะขบขันกับอัลกรุรอานนี่เป็นการเตือนพวกเราด้วยนะอย่าอ่านกรุรอานแค่ฟังเสียงอย่างเดียวไม่พอแล้ววันนี้อ่านกรุรอานต้องอ่านแบบให้เข้าใจแล้วก็นำไปปฏิบัติ ซอ บ, บ้านนบีอยู่กับนบีรู้ป่ะเขาทําก็อย่างงี้นะพอนบีสอนพอจะย้ายก็บอกอย่าเพิ ah ่งย้ายอย่าเพิ่งย้ายสอนสอนห้าอายาเปตัวอย่างสอนหนาอายาอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่ได้ย้ายก็บอกอย่าเพิ ah ่งย้ายเขทํามทำไมไม่อาย า, ยายฉันยังไม่ได้ปฏิบัติ ต, ตามคุรานที่อลัลลอฮ์ส่งมาเห็นยังครับนั่นซอ บ, บ้านนบีในยุคนั้นถึงอลัลลอฮ์ได้ พอใจซอฮาบานะบีให้พวกเรานี่เอาแบบของซอฮาบานะบีมาปฏิบัติแบบวันนี้เพราะเป็นยุคระณยุคที่ประเสริฐที่สุดอัสซาบิกูนัลอวัลูดมินัลมุฮัจิรีนวัลอังสอรวัตตาเบอฮุมบิยะสานนี่ไงอ่านคุณอ่านของพวกเขานี่นะถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติเขาจะยังไม่ยัยนี่อ่านอายะนี้ไปก่อนทวนไปทวนมาเป็นสิบวันยี่สิบวันเสร็จแล้วก็ พอปฏิบัติแล้วก็ถึงจะอ่านอายะ ต, ต่อไปนี่ไงสุอบานในดีเป็นอย่างนี้ทีนี้อลัลกุรอานแต่และอยายะที่ถูกประทานลงมานั่นเป็นว่อาอายะนี้ต้องการจะบอกอย่างนี้ว่ากุรอานแต่และอยายะที่ถูกประทานลงมานั้นเป็นวาฮีหนึ่งเป็นข้อตักเตือนที่มีราคาแพงมากข้อที่สองเพื่อให้อ่านกุรอานแล้วพินิจพิจารณา ฟังอ่านอุลกลอฮ์โยหัวใจที่จดจอ่อข้อที่สามเพื่อให้มนุษย์นั้นใช้สติปัญญานะครับแทนที่จะมาล้อเลียนมาเป็นหัวเราะเยาะหรือว่าล่เล่นอย่างเงี้ยคนที่อ่านกรอานแบบนี้นะอัลลอฮ์จะไม่ให้บรารกัรกับชีวิตของเขาฉะนั้นต้องอ่านกลอานขอให้รู้ความหมายแล้วก็นาไป ป, ปฏิบัติแล้วก็วิเคราะห์เมื่อคืนที่ดูรายการของใคร ร้องไห้รับอิสลามแล้วร้องไห่ร้องไห้คือรับอิสลามมา20ปีแล้วแหละพอก็สัมภาษณ์ว่าท่านรู้จักอัลลอฮ์ยังไงไอ้วักแรกที่คุณเขาสอนคุณให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยก็ว่าอัชชาดูอัลเลาฮิลลลอร้องไห้เลยเขานรียว่าหัวใจของเขาเนี่ยผูกพันกับอัลลอฮ์แค่วักเดียวนะอัชชาดูอัลเลาะฮิลลลอร้องไห้นี่ยนี่ไงเรียกว่าคนอ่านกุณอ่าน นะครับแล้วเข้าใจความหมายของอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺจะเปิดใจเขานะเอาอายะที่สามลาฮิยะตังกุลูบุฮลาฮิยะตังกุลูบุฮฺวาซรรุนอาจวอาอัลละดีนาะลอเลมูฮัลฮาดาบะชารุมมิสลุกุม afaatun nasihrawan tum tubcirun อัลลอฮฺอะยายนี้ดีมากครับลาَียตُ ل กูลُบุ م ْต้องการอธิบายอย่างนี้พู้มาดูผู้ปฏิเสธเนี่ยนะเขาพูดตาหนินบีมุฮัมมัดตำหนิกุปรานว่าอย่างไรอ่านี่ตาหนินะมัใช้ภาษาชมนะภาษาด่า ลาฮิยะตังกูลูบุมุมจิตใจของพวกเขาไม่จดจออ่ออ้าวเห็นนักเรียนเหมือนกันถ้าไม่จดจอ่อแต่คำสอนของครูเป็นยังไงฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องอ๋อเห็นนะนะสังเกตได้ดีนะเอาคนใจลอยนมาลรวใจลอยอ๋อรับไหมไม่รับนี่ไงาลาฮิยะตังกูลูบุมเอาอายาวักเดียวนะไป ไปแลวนะไปวิจัยไปพิจารณานักเรียนนั่งเรียนหนังสือใจลอยเข้าใจไหมไม่เข้าใจมาพ่อกําลังเรียกลูกมาสอนลุกทําเฉยเข้าใจไหมไม่เข้าใจนี่กุูอ่านเตือนนะนมาใจลอยเป็นยังไงเอาว่าไม่รับผลบุญให้หนึ่งคะแนนสองคะแนนเหมือนกันพี่น้องคนที่ดูอาแล้วใจลอยยกมือเ เรบบาบรรดาที่นาเพียรดยาถาว่ารูไม่รู้ก็ท่องมาตั้งแต่สมัยนูน่ะแต่ฟัดดูเองมาถึงวันนี้ยังท่องอยู่เลยรู้ความายไหมไม่รู้ใจลอยคนที่ขอดูอาใจลยอยอัลลอฮ์ไม่รับนมาใจลยอยอัลลอฮ์ไม่รับตั้งใจไม่ฟังเรื่องที่เขาพูดก็ไม่เข้าใจอ่ะนี่อลัลลอฮ์ให้กุรอานมาทั้งเล่มไม่เคยอ่านกุรอานทั้งชีวิตแล้วใจลยอยตลอดถามว่าได้อะไรกุรอานเตือนนะ และฮียตังกูลูบูหุมจิตใจของพวกเขานั้นไม่จดจอ่อคนไม่จดจอนี่เป็นอน้องอัลลอฮ์พูดนะก็บีกูรอ่านเลยนะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่เสียเวลานะครับข้อที่สองพวกนี้ปฏิเสธกูรอ่านนะครับกุรอ่านประทานลงมาผ่านน บ, บีมุฮัมมัดไม่เคยฟังกูรอ่านเลยใจลอยปฏิเสธมหฮัมมัดด้วยปฏิเสกกูรอ่านด้วยข้อที่สอง ว่าอาสรุนอ จ, จุาแล้วพวกเขาแอบปรึกษาหรือประชุมลับประชุมลับนั้นอยู่ในสภาก็เยอะใช่ไหมะ <g ül> เดี๋ยวประชุมลับประชุมลับประชุมลับในสมัยนบีก็เหมือนกันประชุมลับเรื่อยมากเลยพวกมุชรดีกีนกาฟิรีนกลัวว่าคนกาเฟตจะรับอิสลามกลัวมากเลยเอาท่านอาบูปะก์รับอิสลามเสียหน้าเท่าไหร่ ไซนาอุมัดรับอิสลามเสียหน้าเท่าไหร่อัลลอฮ์หัวหน้าคนคาเฟ่น่ยเสียหน้าหมดเลยนะอ่ะคนนี้ไปเป็นมุสลิมแล้วคนนี้ไปเป็นมุสลิมแล้วท่า น, นต้องต้องประชุมรับตลอดเพื่อที่จะปกป้องพวกของเขาไม่ให้หลุดมาเป็นมุสลิมแต่กูอ่านอายาสุดท้ายของสุรตัตตฮาเนี่ยอ่านใหม่แล้วอ่านดูสิกุลกุลลุมโมตารอบบิสมุฮัมมัดเอ๋ยทุกคนเป็นผู้รอคอย ฟะตรอปบาซูดังนั้นจงรอคอยกันเถอะฟัสตาอัลามูนามันอัลฮะบุสติรอติซ awi แล้วท่านจะรู้ผู้ใดอยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงว่ามานิตาดาและผู้ใดเป็นผู้ศรัทธาใน Allah. อัลลอฮฺขอพระค์ตรงนี้ต้องการจะบอกว่าศาสนาอิสลามคนมุสลิมกับคนกาเฟตใครจะมากกว่ากัน สรุปใครมากกว่ากันตอนนี้มุสลิมยังน้อยอยู่ประมาณแค่แค่สองนั่นนะสองพันล้านประชากรมีทั้งหมดเจ็ดพันล้านอีกสามพันล้านเนี่ยอีกหกสิอีกอีกห้าอีกสามนะสามสี่ห้าหกอีกสี่พันล้านเนี่ยเป็นอย่างอื่นหมดเลยมุสลิมแค่สองพันล้านแต่อัลลอฮ์พูดนะกะบียร์กูอ่านว่าอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไ ป, อไปรอไปรอไป ประชากรมุสลิมจะชนะประชากรคนกาเฟตพุดอาในยสุดท้ายของสุลต่านอตฮาเห็นยังครับอา้าวผมมานั่งนั่งนึกอยู่นะคนที่เอาศพฟาโรไปวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศสรับอิสลามวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยไปอลัลลอฮ์เนื้อของฟาโรยังสดอยู่เลยตามานไม่รู้กี่พันปีแล้วนะ และไปเจอคุณอ่านอเลียมนันโนาจีกับิบาดานิกามุสลิมเสนอพุ่นเนี่ยคุอานนายนี้อ่ะอัลลอ์รักษาเพียงตารางของฟาโร่ไม่ให้เน่าจริงๆเลยอัลลอฮ์รักษาร่างไม่ให้เน่าจริงๆยังสนอยู่รับอิสลามอัลลอฮ์เห็นอย่า ง, งแคปี่นงแ้วมีอยู่คนหนึ่งไปวิจัยเรื่องเลือดประจำเดือนของผู้หญิงน้ำอสุจิของผู้ชายเนี่ย เวลาร่วมกันเนี่ยนะมันไปฝังอยู่ที่ผนังมดลูกอะ่ะมันไปฝังตัวอยู่นั่นนะสามเดือนถึงจะหมดทําไมต้องสามเดือนละ่ะวิจัยวิจัยวิจัยวิจัยไปพอวิจัยเสร็จแล้วก็มาอ่านคุรอรันาากุร์รนว่าไงนะฟัลมุตัลละกอตุยตารบบัสนบีอัมฟุสฮินน่าซาลาซาตะกูรุผู้หญิงที่อย่าขาดกับสามีเนี่ย จะต้องรออิ ด, ดะสามกุรุเฮตมาสามครั้งถึงจะแต่งงานใหม่ได้รับอิสลามเพราะว่าประจำเดือนของผู้หญิงมาครั้งหนึ่งน้อาอสุจิค่าประจิไม่หมดทั้งที่สองก็ไม่หมดทั้งที่สามถึงจะหมดเพราะอะไรครับต้องการจะพิสูจน์ว่าเด็กจะอยู่ในคั น, นเป็นลูกของใครรับอิสลามทีล ะ, ล, ะละคนละคนละคนละคนละคนฉะนั้นกุณอ่านอายะสุดท้ายของสุร์ตอฮาเนี่ย พูดไว้เลยว่าอนาคตคนจะรับอิสลามมากกว่าคนปฏิเสธอัลลอฮ์สุภาห์นะฮูวะตาลาเห็นยังครับอันเจนั้นลาฮิยะตังกูลูบูหุมจิตใจของพวกเขาไม่ไม่โจดจอกก็ไม่มไเป็นไรเชิญตามสบายวาอาซุนนะจวาแล้วก็พวกเขาชอบประชุมรับแอบประชุม ร, รับเ็ไรต้องการจะดึงพวกเอาไว้ว่าทำไงไม่ให้คนนี่มารับนับถืออัลลาม เส็จแล้วเป็นไงครับอัลลาฮินอโรลามูผู้อาธรรมตล้องว่ามีอยู่สามกลุ่มคนที่ใจลอยคนที่ชอบประชุมรับผู้อาธรรมทั้งหลายปฏิเสธอัลกุรอานและปฏิเสธนบีมุฮัมมัดเพราะอะไรครับพูดอย่างนี้ฮัลฮะดาบาชารุมมิสลูกุมมุฮัมมัดเนี่ยประชุมรับนะลงลงมตินะ ประชุมรับลงมติว่างไงนะฮัลฮาดาบาชาลุมมิสลุกุมมุฮัมมัดเนี่ยคนนี้ไม่ใช่ใครหรอกบาชาลุมมิสลุกุมเป็นคนสามัญชนธรรมดาธรรมดาเยี่ยงพวกท่านทั้งหลายแล้วไปเชื่อมุฮัมมัดทำไมก็เดินเดินตลาดกินข้าวแกงอ่ะมันก็เหมือนคนธรรมดาแล้วไปเชื่อมุฮัมมัดทำไมต้องประชุมรับกันนะแล้วก็นี่พูดใส่ไดยนะ ไปเชื่อมูฮัมมัดไม่ได้มัดเป็นคนธรรมดากินข้าวแกงเดินตลาดแล้วไปเชื่อมุฮัมหมัดทำไมอ้าวข้อที่หนึ่งมุฮัมหมัดเป็นคนใดนะนี่ประชุมรับแล้วนะผลออกมาก็คือเป็นคนธรรมดาข้อที่สองฟาตาอาฟาตาตูนสัสซฮาร์รอพวกท่านจะยอมฟังเชื่อจะยอมเชื่อฟังอสัสซฮาร์รอว่านาบีนะ่ะเป็นนักมายากล พนักมายากลเนี่ยมันชอบสแสดงนู่นสแสดงนี่ใช่หรือไม่ใช่กลัวว่ามูฮัมหมัดเนี่ยจะสอนอิสลามคนจะรับเยอะก็พูดกันไว้ก่อนว่ามูฮัมหมัดเป็นนักมายากลเพื่อให้ประชาชนกลัวถามว่าสําเร็จไหมละ่ะไม่สําเร็จวันนี้เหมือนกันคนที่เอาซุนน่ามาสอนเนี่ยเขาประชุมรับกันนอุลามานะอิหมังเขาประชุมกรรมาการเพื่อระวงังนะบา น, นีเป็นซุนน่านะ แล้วก็มันก็ตั้งชื่อแบบสมัยก่อนเลยคณะใหม่เราตั้งชื่ออีกชื่อหนึ่งรนะวาฮบีอย่าไปยุ่งกับมันนะพูดให้วาฮบีแต่ใครไปฟังมันจิตเสียหมดเลยเชื่อเลยอะวันนี้ก็เหมือนกันคนสมัยก่อนก็สามีนี่พันสี่ร้อยปีนี่นะยังใช้กันอยู่วันนี้เพื่อปกป้องคนไม่ให้รับสุนนะนะครับเหมือนกันนะสมัยก่อนกลัวจะรับอิสลามอลัลลอฮฺ สายว่ามุฮัมมัดเป็นบาชารุนมิสโดกุเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาข้อที่สองเป็นมักบียกกลอลลับกินข้าวแกงพวกเนี้ยว่าอันตุมตูบซิรุนทั้งทั้งที่พวกท่านเห็นตาดำดำรู้แก่ใจกันนั้นหรือโอ้นีไปคำอะไรนะเป็นคำอนะัลลอฮ์ Allah, เล่าให้ฟังว่าคนกาเฟเขาวาังแผนประชุมรับเรื่องอะไรนี่อัลลอ์เล่าให้เราฟังนะครับอต่อมา آياتي تي تي. قال ربي يعلم القول في ا ل س م ا ء ا ت والأرض، وهو السميع العليم. قال ربي يعلم القول في ا ل س م ا ء ا ت والأرض، وهو السميع العليم. การประชุมลับของของพวกเขานะทุกคําพูดนั้นอัลลอฮ์รู้หมดเลยที่ประชุมลับนี่นะอาญานี้ต้องการจะเล่าให้ฟังที่ประชุมเรื่องอะไรนี่นะอัลลอฮ์รู้หมดอั ล, ลว่างนี้นบีกล่าวนะก็และนบีมัทพูดว่ารบบีพระผู้อภิบาลของฉันยะละมูทรงรอบรู้อัลกาละ ทอยคำหรือคำพูดที่คุณประชุมรับกันอยู่นั่นะน่ะเอารู้หมดแล้วเล่าใหน้น บ, บีฟังหมดแล้ ว, ห, วหน้าแตกไหมหน้าแตกเหมือนกันลุงนบีชื่ออับบาสน่ะตอนจะออกไปทําสงครามกับนบีเอาเงินฝากเมียเอาไว้เป็นถุงเลยแล้วก็เอาบางส่วนออกไปทำสงครามอะ่ะ <า S 2> <t od ic> พอไปแพ้สงครามอ่ะ <t od ic> นบีก็จับ คนที่ถูกจับเป็นเฉลยเ อ, เอาเอาตังมาจ่ายลุงของท่านนะจีอับบาสเนี่ยบอกหลานด้วยเงินลุงน่ะหมดแล้วเอาออกมาทําสงครามกับหลานแล้วก็มาเกิดแพ้ขึ้นมาเนี่ยเงินไม่มีท่านไม่ต้องถ่ายตัวได้ไหมปล่อยไปเลยบ้านเราจ่ายตังในเบียวก็ไม่ได้แล้วเงินที่ลุงฝากไว้กับภรรยาจะอยู่ที่บ้านก่อนออ ก, กอ่ะรู้ได้ไงอ่ะอล่าเล่ายัางนัฟัง ฉันรับอิสลามนล้วแต่อย่าบอกใครรู้นะนี่งายพี่นอ้องพอนบีอธิบายปั๊บเนี่ยล้อกลัวเลยอ่ะแล้วก็เงินที่ลุงฝากภรรยาไว้ลแล้วอยู่ๆในห้องกา น, นะนี่มีอยู่เท่าไรอัลลอฮ์ล่ากันฟังแล้วทําไมไม่ให้ออกมาให้ฉันละ่ะเอ็งรู้ได้ไงอ่ะ ม, มูฮัมหมัดก็อัลลอฮ์เล่าให้ฉันฟังอครับอัชชอตวนเลยเลยเอ็งอย่าบอกใครนะเพราะลุงเนี่ยกู เอาเงินดองเบี้ยกับมาเยอะคือเขาคไม่ออกออกอ อ, ก อ, อ, กอะไรนะออกเงินกู้ออกเงินออกให้กู้ให้กู้เ ป, เ, ปเป็นเป็นเจ้าหนี้นะถ้าหากเขารวยรับอิสลามนะมันชักดาวไปหมดเรื่องท่านมุมัดยประการโด้ใครรู้เก็บเงียบเงีย บ, บเอาไว้นี่ลุมของมุมัดเองเขาทำโดยเลยพี่น้องจากนั้นความลับบนโลกนี้ไม่มีไหมมีหรือไม่มีไม่มีแต่เราไม่รู้แต่ Allah รู้ ก็ลรับบีอาลามุลกาวลฟิสซมะอีวลอรนี่อัลลอฮ์พูดรวมเลยนะมูฮัมหมัดพูดว่าพระผู้อาภิบาลของฉันทรงรอบรู้ทุกๆคำพูดทั้งในชั้นฟ้าและแผ่นดินวะหุวัสซามีอุลอาลีมพระองค์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงรอบรู้นี่อัลลอฮ์รู้หมดนะเรานั่งกันกี่คนวันนี้เราสอนเรื่องอะไรริคอร์ดหมดแล้วเก็บไปหมดแล้วเลย อัลลอฮฺบอกว่านี่ถ้าเรากลัวแค่สามอย่างนะอัลลอฮทรงเห็นทรงรู้ทรงได้ยินแค่สามเรื่องนี่นะเราไม่กล้าทาบาปอัลลอทรงรู้ทรงเห็นทรงได้ยิ น, ยนแค่สามเรื่องนีพอนะไม่กล้าทาบาปแล้วอัอยสุทายบัลกลูอรุอลัมบลิฟตรบัลฮวะชาอร أ ْ ت ย ن ติ ب ِ آ บَยٍิَกَมาอْุสِ ل الأول ا, أ ل บ و ا คَ ض ลูอ ا ث ُ أ َ ح ْ ل َล م มบَลิ ا ตْรَบَ ا หُ بَلْ ه ُ و ฟ ش َย ع ติน ف َบْยติงกِมาอِุส يل الأول ن َ นี่คนกาเฟตตําหนิกูรา์านอ๋อตำหนิกูร์านสามเรื่องอ่าเขามองกูร์านนะสามเรื่องว่าไม่ดีแต่ไม่ใช่นี่อลัลลอฮ์เล่าให้ฟังนี่าประชุมลับกันอยู่นะ่ะเรื่องอะไรนี่อลัลลอฮ์เผยแล้วนะครับบัลโกลูใช่แต่เท่านั้นพวกเขายังกล่าวว่ากูร์านเป็นอัลลอฮ์สุอัล์ลามกูร์านนั้น เป็นความฝันที่ปะปนกันยุ่งหรือที่สับสนกุณอานนี่นะเป็นถ้อยคําที่สับสนนี่ประชุมกันเมื่อหนึ่งพันปีว่าคุณอานนั้นไม่ใช่อะไรเป็นความฝันของนบีมูฮัมมัดอะไรปะปนกันยุ่งไปหมดผมอ่านภาษาอูรดูภาษาอุรดูพูดด้วยว่ามีฝรั่งอยู่คนในใ น, ในประเทศอังกฤษ พูดเหมือนกับคนอาหรับสมัยก่อนพูดพูดว่าไงนะกูอ่านนี่นะสับสนอัลลอฮ์วะกบาดกูอ่านที่มุฮัมมัดแต่งขึ้นมาเองเนี่ยสับสนเพอร์เจอร์นี่คนอังกฤษพูดนะขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ร่ายทางกะฟิลกูอ่านว่าคนอาหรับต่อว่าอัลกูอรอ่านว่าเป็นคำพีที่มุฮัมมัดแต่งขึ้นมาเองอ่านแล้วสับสนปนกันยุ่ง นี่วันนี้ฝรั่งพูดแล้วพูดเหมือนคนอาหรับสมัยก่อนมันพูดข้อที่สองบาริฟตารอกุรานนี้นบีมุฮัมมัดเป็นไงนะมะประพันธ์ขึ้นมาไม่ใช่ประพันธ์สิเขียนขึ้นมาเองปลอมขึ้นมาเองไม่ได้มาจากอัลลอ์นี่เป่าหูมนุษย์เป่าหูประชาชนกลัวว่าจะรับกุรานจะรับสุนยนะจะรับอิสลามทีละคนละคนละคนกันไว้ก่อน เาลเล่าให้ฟังข้อที่สามบัลฮูวาชาอรกุรานไม่ใช่อะไรนอกจากเป็นอะไรนะเป็นบทกวีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นกวีแต่งกรอนขึ้นมาเองแต่งกวีขึ้นมาเองไปเชื่อทำไมสามเรียกนะข้อที่สี่ทาอีกมุฮัมมัดท้ามุฮัมมัดเป็นนบีจริงฟันยะตีนาบีอายะ ก็จงให้นบีเนี่ยนำเอามอจีศาสตร์อาญามาถึงมจิศาสตร์มาแสดงให้เรากมาอุดิลอวูนเหมือนกับบัดีบรรดานาบียุคก่อนๆที่ได้แสดงมจีศาตร์มาให้มโมสนําอาโมจิศาตมาเราจึงจะเชื่อว่าท่านเป็นนบีอลอตการจะบอกว่าเอ๊ะมาตอแหลทำพูดเรื่องโมจิศาตร์ ของนบีมูซาของนบีอิสซาของนบีอะไรนะของนบีซอเละอันบีซอเละเอลัลลอฮ์ให้อูดมาออกจากภูเขาใช่ไหมน่ะอันนม้วนจิสารกองนบีซอเละแล้วกินน้ําทีหนึ่งโอัลลอฮ์หมดเลยตะมงในวงในบอ่อนบีมูซาอาลัลลอฮ์ให้อะไรมานะไม้ถืออ่นานบีอีซาเนี่ยใครป่วยนี่อลัลลอฮ์ลูกๆคำค ำ, คำหายเลยมุฮัมมัดก็เอาม้วนจิสาเรเหล่านี้มาแสดงให้เราเห็นสิ เราเองตัวแหลเองไม่เคยอ่านคัมภีร์ตอรอยสักเล่มนึงอะพวกอาหารับไม่เคยอ่านคัมภีร์ตอรอยแล้วรู้ได้ยังไงวัานนบีมูซาเป็นอย่างงี้นบีซอลละนี่มันตอแหลทั้งหมดคงจะไปฟังพวกยักูดีม า, มากกว่าแล้วเนื่องเนี่ยถ้ท่านกูร์านเล่มนี้อย่าลืมนะไม่ใช่พวกเราอย่างเดียวที่แอนตี้กูร์านเพราะมีอาจารย์อยู่คนหนึ่งนะแถวพระโหนงเลยครใครจาอ่านกู ร, ร์รานน่ะ อย่าแปลกุรานนะคนจะแปลกุรานได้ต้องรู้สิบสอภาษาสิบสองไอมูที่สอง knowledge สิบสองความรู้นะฮูสำหรับบาดเดีบายบญาติมันเต็กบญ า, าติโอ้โหคนเลย ก, กลัวกันหมดเลยแกไม่กล้าแปลกุรานไม่กล้าอ่านนะเพราะว่าอาจารย์เขาขู่เอาไว้ย่าๆคุรานแค่จับอย่างเดียวเราก็อ่านพอแล้วอย่าไปรู้ความหมายมันต้องเรียนสิบสองวิชาให้ได้ก่อนถึงจะแปลได้ถ้าถูกรลอพวะเนี่ย ตายต่อทำบุญสาวันเจ็วนะันเชิญต่ยอย่อนน่ะต่อย้อคนเดียวเนี่อ่านหนังสือดีที่สุดนะและ้วตายห้าคนวันหนึ่งห้าบาทกินตูวสีเงินเท่าไหรนะ่่ะวันละห้าร้อยห้ารอยสามบาทโอ้โหแล้วเป็นพันนะ่ะมันต่อทำมา ก, กี่แล้วนี่ก็ะทู่ลอกกันมาตลอดพ่อไรพ่อไม่อ่านกุณอ่านนี่แหละคุณน้องอ่านวเพราะฉะนั้นกุณอ่านนี่เราต้องการนี่เตือนมุสลิมนะอย่ามองคุณอ่าน เป็นเรื่องสับสนอย่ามองกูร์อานว่าในาบีว่าหมัดแต่งขึ้นมาเองอย่ามองกูร์อาน์่าเป็นเสมือนบทกลอนคนที่เขียนบทกลอนได้บันต้องเก่งใช่ไหมนะ่ะเขามองในบีว่าหมัดเป็นแบบนี้เหมือนกันแต่ไม่ใช่นี่เตือนพวกเรานะให้อ่านกูร์อานแล้วรู้ความหมายของอ่านคูร์อานด้วยต้องใช้เวลาในการศึกษาหาความรู้สุภานักัลลอฮุมมเอาบปหัมด้วยกะชัลดีละลลาอิอันะอัสตะุกวะดูบลขุสสลามอะลัยกุมวะราะห์มุตุลลอฮฺวะบะระกะตุ